เป็นวันที่2ให้การเจริญกรรมฐานในเดือนมิถุ น, นายนสําหรับการเจริญกรรมฐานของทุกคนท่านอย่าคิดหรือไม่คิดตัวตามแต่ว่าเป็นวิธีการเพื่อนิพพานทั้งหมดเหมือนกันหมดจะได้มากได้น้อยก็เพื่อนิพพานยาเล็กค่อยๆไหลพิจารณิตริตริไหลไปน้อยๆแต่ไหลบ่อยๆมันก็หมดเหมือนกัน นการปฏิบัติขบรรดาแทนพูทบริษัทให้หวังนิพน์ผ่านเป็นที่ไปถ้าจะถามว่าหวังนิพ่านชาตินี้ได้ไหมก็ต้องตอบว่าไม่แน่นอนนักชาตินี้หรือชาติไหนก็ช่างถ้าปฏิบัติเรื่อยๆก็ว่าได้นิพนานเหมือนกันดูตัวอย่างพระจุนัปพน์พระจุนมบันทกตามบัมบาลีบอกว่าในสมัยดึกดำบรรณ ท่านเป็นกษัตริย์แล้ววันหนึ่งเรียบพระนครเวลาเรียบพระนครอากาศร้อนเหงื่อก็ไหลท่านนั่นผ้าเช็ดหน้าเขาขาวมาเช็ดตัวเช็ดหน้านั่นก็ดำพเพราะเหงื่อถ้ามามองดูก็พิจารณาว่าร่างกายของคนเราสุกปรกอย่างนี้เชีหรือแต่ความจริงเวลานั้นไม่ใช่เวลาเจริญกรรมฐานท่านก็ไม่ได้คิดว่าเป็นกรรมฐานแต่มีความรู้สึกว่าร่างกายสุกปรก หลังจากนั้นไม่นับชาติไม่ทวนพอถึงขั้นชาติสุดท้ายพระเจ้าทรงให้กรมฐถานกองนี้คือว่าทรงผ้าขาวให้ผื้นหนึ่งให้คลึงไปคลึงมาแล้วภาวนาว่าละโชระนางละชังรติก็ แ, แปลว่าขอตีความหมายนะั้นถือว่าร่างกายเต็มไปความสกปรกโสโครกเพียงเท่านี้ท่านนำผ้าที่สกปรกมาดูจิตกตัดสกิเลเป็นพระเป็นพระอรหรันต นี่คือลงความว่าขึ้นชื่อว่าความดีเราจะพยายามทําเข้าไว้ในที่สุดความดีก็สนองผลให้เข้าถึงนิพพานสําหรับการปฏิบัติบรรดาท่านพระธบริษัทการปฏิบัติท่านอยากหวังนิพพานหรือไม่หวังนิพพานก็เดินเข้าไปหานิพพานนี่การปฏิบัติของทุกท่านข้อหนึ่งค่อยเร่งรัดเรื่องศีลเป็นสําคัญ เพราะาศีลเป็นพื้นฐานใหญ่การเจริญสมาธิสมาธิจะทรงตัวได้เพราะศีลริสุทธิ์วันไหนศีลริสุทธิ์ฝุดผ่องวันนั้นสมาธิทรงตัวถ้าวันไหนศีลไม่ค่อยบริสุทธิ์ฝุดผ่องสมาธิก็ไม่ค่อยส่งตัวเพราะศีลเป็นปจัจจัยเกิดสมาธิตั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนที่มีศีลได้ต้องมีคุณธรรมสองประการประจําใจ นั้นคือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารถ้าขาดเมตตาความรักกรุณาความสงสารยนี่ยนี่สิงเกิดไม่ได้แต่สายที่จิตมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารอารมณ์จิตก็เยือกเย็นในเมื่ออารมณ์จิตเยือกเย็นสิ่งก็เกิดก็มีสินแล้วสมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิเกิดแล้วปัญญาก็เกิดตอนนี้ขอพูด ยาวไปสนิทก็เก้าข้ามไปการเจริญสมาธิก็มรนดาเต็มพุทธบริษัทหลายๆคนอาจจะเป็นอย่างนี้คือว่าเวลาทําสมาธิทรงตัวรู้สึกาอารมณ์แนบแน่นพล้มีอารมณ์ดิ่งจิตทรงตัวมากถ้าต่อต่อไปจิตก็คลายอาการดิ่งมีการเบาเกิดขึ้นถ้าไม่สามารถจะค่มอารมณ์ดิ่งอารมณ์ดิ่งไปได้ ก็มีหลายหลายท่านคิดว่าเวลานี้เราเสื่อมจากสมาธิเราเรือ้อในข้อนี้ก็ขอเตือนบรรดาพุทธบริษัทโปรดทราบว่าถ้าจิตของท่านมีอารมณ์ดิ่งคืยมีคนถามเหมือนกันอารมณ์ดิ่งมีการทรงตัวดีเกิดขึ้นจะทํำยังไงต่อไปถ้าขณะใดที่สมาธิเป็นชานเวลานั้นเราไม่สามารถจะรังคัคดกิตจะทาอะไรได้เลย เขาเรียกว่าจิตเป็นเอกกษษตารมณ์อารมณ์อันเดียวท้ายชาติในอารมณ์อันเดียวมันจะทรงตัวอยู่เฉพาะแต่เวลามันดิ่งก็ปล่อยมันดิ่งไปตามเรื่องของมันนั้นมีการทรงตัวขณะที่จิตทรงอารมณ์ดิ่งอยู่อย่างนัง้งนั้นจิตก็ว่างจากกิเลสกิเลสก็ดีนิวรณ์ก็ดีไม่เข้ามาควบคุมจิตถ้ากิเลสและนิวรณ์เข้ามาควบคุมจิตจิตจะมีสมอารมณ์ทรงตัวแบบนั้นไม่ได้ อมาเมื่อการใครตัวลงมีรม์เบาเกิดขึ้นตอนนั้นเป็นกันว่าแมื่อนวัาสมาธิทรงตัวแนบแน่นปัญญาก็เกิดเราจะบังคับจิตให้ดิ่งตามนั้นไม่ได้เวลานั้นต้องใช้ปัญญาปัญญาที่ใช้ก็ปล่อยตางกาลังของจิตแต่คุมไว้อยู่ในอารมณ์ให้มีการเห็นวันหนึ่งอ น, นิจจงความไม่เที่ยงสองทุกขังความทุก สามนตตาการสลายตัวมันจะคิดยังไงก็ตามถ้าอยู่ในขอบเขตสามอย่างนี้ใช้ได้เวลานั้นเป็นตัวปัญญาเึงขอบรรดาท่านผู้บริษัทที่เคยสงสัยเพื่อเข้าใจตามนี้นะถ้าอารมณ์สัมพานี้ดิ่งทรงตัวมากเวลานั้นเราไม่สามารถจะบังคับจิตให้คิดได้ไม่คิดไม่ได้ตัวเอกตาอารมณ์พออารมณ์ดิ่งคลายตัวชาญไม่เดืสลายตัวไปด้วย วเวลานั้นปัญญาเกิดขึ้นก็มีอารมณ์เบาจะมีหลายท่านมีความรู้สึกว่าเวลานี้เราเสื่อมจากสมาธิเราหรือแต่ความจริงไม่ได้เสื่อมสมาธิปแปลว่าตั้งใจเวลานั้นใจสังเกตได้ว่าจิตมีอารมณ์คิดคิดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ถ้าจิตมีอารมณ์คิดก็ควบคุมจิตให้คิดอยู่ในขอบเขตสามอย่างคืนหนึ่งไม่เที่ยงสองความมันทุกษาไมีการสลายตัวของร่างกาย ร่างกายก็ดีสัตว์โลกสไลายก็ตามแล้ววัตถุธาตุสหลด์ก็ตามมีสภาพไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นในเบื้องตน้นเสื่อมไปในท่ามกลางสลายตัวนที่สุดเหมือนกันนี่ในมืโลกมีมีการไม่เที่ยงเกิดขึ้นเราปรารถนาต้องการให้เที่ยงอารมณ์ไม่เป็นไปตามใจเราชอบอารมณ์ก็ไปทุกข์ทั้งทั้งที่เราจะทุ ว่ามันไม่เที่ยงไปตามใจและชอบเรยฝืนขนาดไหนก็ตามในที่สุดก็ะแบนัตตาสลายตัวหมดที่จึงขอบเขตตามนี้นะนี่ว่ากันถึงผลก็สมาธิตอ น, นี้มาขึ้นเบื้องต้นย้อนมาเบื้องต้นใหม่ตอนต้นที่เริ่มจะทำสมาธิขอบรรดาญาโยงพระบริสัจจคนใช้กำลังปัญญาก่อนปัญญานี่เป็นส่วนหนึ่งของวันาญาน อันดับแรกใช้ปัญญาคองสมาธิคือใช้อารมณ์เมตตาจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารในอุทุมบริกาสูตรท่านบอกว่าก่อนนี้ทำสมาธิจิตให้แปลเมตตาไปในจั ก, กรวาลทั้งปวงคือทั้งโลกให้มีความรู้สึกว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนแลสัตว์ทั้งหมดกรุณาความสงสารถ้าสัตว์และบุคคลก็ตามถ้ามีความทุกข์ ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราจะช่วยเขามีความสุขนี่ตั้งใจไว้ตามนี้ก่อนเมื่อจิตมีอารมณ์โปร่งดีแล้วมีความสุขต่อไปก็เมกถึงได้มีปรัชนายางขั้นอ่อนมีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าโลกนี้เป็นในความไม่เที่ยงเป็นนิจจงทุกอย่างไม่เที่ยงคนอื่นเขาก็ไม่เที่ยงเราเองก็ไม่เที่ยง เราเองเกิดจากนท้องบรรดาไปใหม่เป็นเด็กเล็กต่อมาก็เปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงไกลามาเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นวัยกลางคนจากวัยกลางคนก็เป็นคนแก่นี่มันไม่เที่ยงไม่มีการทรงตัวขณะที่ทรงร่างกายอยู่มันก็ไม่เที่ยงอีกจะมีอาการป่วยไข้ไม่สบายเป็นปกตินี่าการไม่เที่ยง ถ้า ก, การไม่เที่ยงก็มันยังทําให้เราทุกข์ใจเป็นทุกข์แต่พึงเข้าใจว่าที่สุดเราก็ต้องตายเหม่กันก่อนจะตายเราก็เลือกทางไปว่าเราจะไปทางไหนถ้าเราจะไปสวรรค์เพียงแค่ให้ทานก็ได้ทักษาศีลก็ได้ถ้าจะไปพุทมโลกก็จะเจริญสมาธิจิตให้ได้ฌาญสมาบัติถ้าต้องการไปนิพพานก็ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงด้วยปัญญา มีความเข้าใจว่าโลกเป็มไดความทุกข์หาความสุขไม่ได้ร่างกายมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าคื้นมีร่างกายอย่างนี้เราก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีสิ้นสุดฉะนั้นขึ้นชื่อว่าการเกิดมีร่างกายแบบนี้จะมีกราวชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายเราไม่ต้องการความเกิดแบบนี้อีกเราต้องการนิพพานหลังจากนั้นพยายามให้ทานตังกาลังที่พึงให้ได้ ไม่ใช่ว่าบังคับว่าให้ทุกวันให้เท่านั้นเท่านี้ไม่จาเป็นถ้ายังไม่มีโอกาสจะให้ก็ถือจากคานุตีกรรมฐ า, านเป็นกำลังคิดว่าเราจะพึงให้ถ้าโอกาสมีเมื่อไรเราจะให้ทานอย่างนี้เป็นการตัดโลภะความโลภ <c oughs> เนการที่สองมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารจิตทรงตัวสิ้นทรงตัวอย่างนี้แบ่ง ก, การก็ตัดโภสะความโกรธค่อยๆตัด ต่อไปเข้าใจตามความปริวจ ա การเกิดเป็นทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมาอีกเราต้องการในผ่านอันนี้ตัดโมหะความหลงรวมความบาดเจนที่อธิบายกันเขามีเท่านี้ก็พอนะเลือกได้ยังเช่นลงตนะอนนี้เบื้องต้นจากนั้นไปหักบรรดาญาโยมทั้งหลายบางท่านจะมาใหม่แล้วก็ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนให้ยายามกำหนดรู้เราไม่ใจเขาออก ให้ก็ภาวนาว่าพุโทโธแต่ว่าคำภาวนานี้ไม่ บ, งบังคับเ้าว่าเป็นเวลาก็สุกับเบสโกใครถนัดภาวนาว่าอย่างไรว่าอย่างนั้นเคยปฏิบัติมาจากที่อื่นแบบไหนค้องตัวไแล้วไม่ต้องเปลี่ยนให้ภาวนาตามนั้นพูดแบบนี้ก็เหนื่อยมันเหนื่อยก่อนพูดนะ ต่อไปก็เราดิทานสู่กันฟังดีกว่าพอยิ้มไดเ้เวลาฉันพูดคนเดียวฉันก็ลำคาวเนี่ยคนฟังลำคาวเปล่านิทานก็ไิเชนิทานปริลมโลกเป็นเรื่องของบัณสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐ า, านในในบาลีแต่บอกว่าทำบทนะในเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ประเชตะวันมหาวิหาร เวลานั้นทรงปรารภพระองค์หนึ่งมีนามว่าจิตหัตดก็จัดไปคาถาพระบาลีไม่ครบก็บไม่ขอกล่าวในที่นี้เรื่องราวนังนี้ก็มีอยู่ว่าในสมัยนั้นในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประทัดอยู่ที่ประเชตวันก็มีชาวนาคนหนึ่งมีฐานะค่อนข้างจะจนมาก วันหนึ่งก็ปรากฏว่าวัวาหายวาัวน่ะใช้ไถนามันหายไปเธอก็เดินตามไปหาวัวในที่สุด ก, ก็ได้วัวได้วัวที่หายไปแล้วก็กลับมาวัวเข้าฝูงแล้วก็ไล่วัวให้ไปอยู่ใกล้ๆกับวิหารใกล้ๆกับวัดที่พระพุทธเจ้าทรงประทับวันนั้นในฐานะที่เธอเธอไปหาวัวใช้เวลามากไปหน่อยก็หิวจัด ข้าไปหาพระคิดว่าเวลานี้หลังเที่ยงแล้วพระฉันพระตาหารแล้วอาหารคนจะเหลืออยู่บ้างก็เข้าไปหาพระในวัดพระโกเห็นอาหารที่พระฉันเหลือมากมายพระเวลานั้นพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่มีอาหารมากเมื่อเธอไปเยืนอยู่แบบนั้นยังไม่ได้ขอพระเกรงใจพระพระเห็นท่าทางว่าเธอหิวก็บอกว่าโยม อาหารที่เหลือมีมากมายยมเลือกรับทานตามอธัธยาศัยก็แล้วกันเธอก็กินจนอิ่มแนละอร่อยมากใ่บ้านนะกับข้าวแบบนี้ไม่มีเ <c oughs> กินนาที่กินอิ่มก็นึกในใจว่าพระแห่งคนดีงานกิจิมนตมากับข้าอยู่มากก็ถามว่าพระคุณเจ้าวันนี้ไปกิจิมนมาหรือครับพระก็บอกวันนี้ไม่ได้มีกิจิมน์ แล้วถามว่าอาหารทำไมเยอะมากแต่บอกว่าปกติของคนเขาถวายพระมีแบบนี้ทุกวันเตอก็คิดในใจว่าการเป็นครวาญการคลองเรือนใช่ไหมเราทำงานเกือบตายลุกเตเช้าตรู่ต้องไปทำไร่แทานาเกี่ยวข้าวถากหญ้าอาหารดีๆไม่เคยมีกินอย่างนี้เป็นพระจดีกว่าอาหารไม่ลดเลิศอาหารมากด้วยใช่ไหมที่บพระโอ ป, โอปสมชีกีการนะ ก็ตัดสินใจขอให้พระบวชนี่ไม่ได้ลาเมียนั่นนะฮะตัดสินใจขอให้พระบวชให้พระก็สงเคราะห์บวชให้บวชแล้วไม่กี่วันก็ร่างกายก็อ่อนทวนสมบูรณ์ดีพระอาหารดีต่อมาไม่ร่างกายอ่อนทวนดีมีกําลังดีเกิดความสุขก็มีความรู้สึกในใจว่าการบวชมีระเบียบภินัยมากระวังตัวมาก เราจะอยู่เพื่อความทุกข์ในการบวช ท, ทาไมศึกดีกว่า <c oughs> แต่ก็ลาพระสึกพระก็สึกให้ไปอยู่บ้านไม่กี่วันนักผอมตามเดิมที่ <c oughs> ตอนผอมหมดแรงคิดใหม่บวชดีกว่า <c oughs> <c oughs> ก็ทําแบบนี้บวชสองสาวันแล้วก็สึกสึกไปไม่นานนักก็บวชแล้วบวชไม่กี่วันก็สึกอิ่มเขก็สึกทําอย่างนี้หกครั้ง หกวาระนะแล้วต่อมาเป็นครั้งที่ 7, เจ็เมื่อปลายกวันวันนั้นเธอไปไถานายกลับมาพอดีพัญญามีคันแล้วก็นอนหลับอยู่ในห้องอาศัยที่บุญเก่าตามสนองคือคนณสมบัติความเบญจหันมีอยู่คนนี้มีความเบญจหันนะบุญเก่ามีอยู่บุญเก่าเข้าสนองใจเมื่อเคยจะเริ่มมาสุภกรรมฐาน เขาเข้าไปในห้องเห็นบรรยายนอนหลับเห็นไกลเห็นไกลเป็นซากศพไปเกิดอาการอังเกดว่าคนเรานี่มีสภาพนอร้างศพตอนนี้ไปเราไม่อยู่เราจะบวชก็นําผ้ากากเสาผ้าติดติด ต, ต, ต, ตัวที่เก็บไว้มาสึกก็ปราคาดภูงเดินออกไปจากบ้านสําหรับท่านม่ยายเห็นลูกเขยไปแบบไ้นก็เข้ามาในห้องในบ้านเห็นลูกสาวนอนหลับก็ตีลูกสาวให้ตื่นขึ้น บราบอกว่าผัวเองหนีไปแล้วต่อไปเขาไม่อยู่กับเองธัญญาตืขึ้นมาบอกไม่เป็นไรแม่สอนน้ำวันก็มาพราะแกบวชไม่กี่วันนะเคยบวชไปถึงเจ็ดวันที่สอนน้ำวันก็กลับแม่ก็ไม่ว่ายังไงแต่ว่าสำหรับจิตทหัดขณะที่เดินไปนอกจากกำลังใจเกิดนิพิทายานเพราะอายบุนเก่ากำลังนิพิทายานเวลานั้นก็ไม่มากนัก ตามบาลีบอกว่าเมื่อเกิดอารมณ์เบื่อเครียดขึ้นมาเวลาเดินออกจบ้านแทนที่คิดถึงอารมณ์เบื่อแบบนั้นไม่ได้คิดคิดถึงความทุกข์มีความรู้สึกว่าการเกิดเป็นคนมันเต็มด้วยความทุกข์ตอนเช้าตู่ก็ต้องลุกขึ้นทํางานปดปัวเอ า, เอาวัวออกจากคอกตัดปัวไปไถนาบ้างไปเกี่ยวข้าวบ้างไปลากข้าวบังเอาวัวไปเลี้ยงบ้าง และก็ต้องมีงานอื่นกระทำมันเป็นความทุกข์ความทุกข์เนืหาที่สุดไม่ได้เป็นเชื่อว่าความเกิดมีความทุกข์อย่างนี้เราจะเกิดทําไมต่อไปและไม่ควรจะเกิดดีกว่ารวมความว่าในขณะที่เดินไปยังไม่ทันถึงวัดท่านจิตรหัสเป็นปโสดาบันยังไม่ดีญาติโยมนะว่าการคิดถึงความทุกข์ตามความเป็นจริงใยการใช้ปัญญานี่เป็นพระอริยเจ้าไม่ยาก ท่านจิตหัดเวลานั้นเป็นปัศดาบันพอเข้าไปถึงวัยก็ขอให้พระบวชให้เพราะว่าไม่ปีเดียวจะบวชเป็ต่อหกครั้งใช่ไหมไม่ใช่หปีนะจะเป็นนึกว่าหปีอุษาแตปีเดียวไม่กี่วันจะก็ะบวชใหม่ไม่กี่วันก็จะสิกไม่กี่วันก็จะบวชใหม่พระก็เลยบอกว่าฉันเบื่อแล้วจะไม่บวชให้หัวคงแก่มันคล้ายหินรับมีโกน มันต้องจดมีกนอยู่เสมอท่านก็อ้อนวอนอ้อนวอนในไม่พระก็สงสารในสุดพระก็บวให้เมื่อบวชให้แล้วท่านถืออารมณ์เดิมอารมณ์ที่มีความเบื่อหน่ายในพัญญาที่เห็นว่า น, นั้นเห็นว่าสร้ากศพมาบุญเก่าสนองแล้วก็มีอารมณ์คิดว่าการเกิดเป็นทุกข์ใช่อารมณ์แบบนี้ไม่กี่วันนะักก็เป็นพระหรหัส เมื่อการผ่านไปได้สี่ห้าวันก็มีพระทั้งหลายล้อท่านพระจิตาหัดไม่กลับบ้านหรือท่านจิตาหัดบอกว่าจิตทิ้งกายกลับบ้านของเราไม่มีไป อ, อ่านแล้วนนะพระอื่นไม่รู้ <c oughs> <c oughs> การพูดอย่างนี้เป็นการพยายกรณ์ตนเองว่าเป็นพระอรหรันต์บรรดาพระทั้งหลายก็ผ่ากนการโจดจันว่าพระจิตาหัดอวดตัวเป็นอรหันต์คือความจริงไม่ใช่เป็นอรหรันต์ ก็นําเรื่องราวอย่างนี้ไปกราบทูลในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตตหัดลูกชายของเราบรรลุตากิเลสเป็นสมุทเฉตบรหันแล้วพระทำไม่รู้นะเวลานี้เป็นอรหันแล้วรวมกันว่าท่านะไรบอกว่าจิตตหัดทําเหมือนกับเราในสมัยเป็นบัณฑิตจอกเฮียนพระก็ทูลถามว่าความเป็นมาอย่างไง พระพุทธเจ้ากล่าวว่าในสมัยดึกดำบันที่ผ่านมาตถาคตเกิดเป็นคนจนมีจอบเฮี้ยนยเยอะเล่มหนึ่งคือมันใช้จนเหี้ยนไม่มีตังค์ซื้อใหม่ต่อมาก็เก็บข้าวฟ่างไว่หนึ่งธนานแล้วก็บวชบวชไม่นานแล้วก็ศึกใช้ข้าวฟ่างเป็นพืชเป็นพันุพอปลูกข้าวฟ่างได้พอได้ข้าฟ่างมันกินบ้างใช้บ้างขายบ้างเก็บเป็นหนึ่งทนาน ในเมื่อข้าวรี่กินหมดก็บวชบวชบวศึกศึแบบนี้หครั้งเหมือนกับจิตรหัสทมบอกจิตตหัสเหมือนท่านต่อมาในครั้งที่7ความการบวชแบบนั้นเขาไม่ได้บวชเป็นพระนะบวชเป็นฤาษีเขาอยู่ในถ้มื่อครั้งที่7จ็ตัดสินใจว่าขึ้นเจ้าการบวชการศึกของเราไม่มีประโยชน์ ร่างกายเต็ไมไปความทุกข์อย่างนี้เราไม่ควรจะอยู่ครองคคขีพระวาดต่อไปเป็นนักบวชดีกว่าแต่วาการศึกกรากเพราะสายจอบเฮี้ยนอันนี้มันเป็นเหตุให้เราศึกถ้าเรายังมีจอบเฮี้ยนอยู่เพียงใดเราก็ต้องศึกนั้นตอนนี้ไปเราจะไม่มีจอบเฮี้ยนอีกจึงไปที่ใกล้แม่น้ํำคงคาหลับตาหมุนตัวสามครั้งเบี่ยงไปในแม่น้ํา เพียงจอดได้ไม่น้ำลืมตาเมื่อไม่ทราบว่าจอดไปอยู่ที่ไหนก็ตั้งใจตัดสินใจบวชเมื่อตัดสินใจว่าบวชไปศึกละแบบนี้แล้วก็กล่าวว่าจาว่าชิ้ตังเมียชีตังเมียทแปลว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วในตอนนั้นพระเจ้าพาราณสีไปปราบข้าศึกกลับมาตั้งค้าอยู่ใกล้ๆเสียงว่าชิตช้ตังเมียชี้ตังเมีเราชนะแล้วจะชนะแล้วก็คิดในใจ วาเราไปปรามข้าสิศึกกลับมาราชนะเตยตานคนนี้ใจเขาเดียวชนะอะไรมา ก, ก็เข้าไปถามแล้วบอกว่าชนะกิเลสคือความโลภความโลภอยากจะร่รํารวยข้าเจ้าชนะแล้วเมื่อพูดเพียงเท่านี้ก็มองดูน้ําได้กระสิวได้อาโปกสินเพราะได้อาโปกสินก็ออกไปประกาศกล่าววาจาธรรมะสอนพระเจ้าประเสนสอนพระเจ้าพา ร, รารสี พระเจ้าพรราฤติฝังทางว่าแล้เกิดจับใจก็บวชบรรดาหมายเข้าเไปบนข้าราชบารปฏิภาณทหารก็บวชกันมากต่อมาบรรดาชาวเมืองหลายกษัตริย์ต่างๆที่เมืองใกล้เคียงร อ, รอบประเทศทราบว่าพระเจ้าพรราฤติบวชก็ยกทัพมาอย่างหวังจะยึดพระนครก็เห็นว่านาครนี้มีความเย็นรุ้งเรืองว่างเปล่าไม่มีกษัตริย์ไม่มีมคนปกครองก็คิดในใจ ว่าพระเจ้าพาราสีมีความรุ่งเรืองอันนี้อย่างทิ้งสมบัติการบวชจะอาจจะเป็นครังดีก็ไปหาบัณฑิตจอบเพี้ยนบัณฑิตจอบเพี้ยนเขาเทศซะบวชหมดเป็นสาวอียประเทศเห็นไหมกงความว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าในสมัยก่อนตาทานคดก็เคยบวชบวชตัวศิมาเป็นครั้งที่เจ็ดจึงได้ชายสมาบัติเวลานี้จิตหายจะเป็นเช่นเดียวกับตถาคตเป็นว่าพูดมานี่หรือเวิไลหกนาที ก็ขอย้อนถึงเรื่องกรรมฐ า, านวันนี้เจ็บขอมากเมื่อวานนี้พูดถึงโยมซึ่งเป็นเจ้าของบ้านฟังพระแนะนำเรื่องกรรมฐ า, านอาการ32กายยังตาสติร่างกายมีอาการ32ในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นเต็มไปด้วยความสุกปรกโสโศครกอันนี้เป็นสมถะภาวนา แล้วก็มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการเสี่ยงไปในที่สุด น, นี่เป็นวิปัสนาภาวนาใช่ประธานก็เวทนานี้ยเขาต้องประกอบร่วมกันไปนะไม่ใช่แยกกันในที่สุดท่าน ก, ก็ได้เป็นพระอนาคามีรวมว่าการเจริยนกรรมฐานเฉพาะอย่างยิง่งกรรมฐานกองนี้นะกายกตาสติการา ก, การสาิบสองนี่เป็นพื้นฐานพระอนาคามีและพระอรหรันต ญาติโยมพระทศวรรษจะปฏิบัติตามก็ได้ <c oughs> แต่ี้ถ้าปฏิบัติตามด้วยการสามสองมันหนักนักก่อนใช้กําลังมากพิจารณามากก็หันมาดูตัวอย่างท่านจิตตหัตท่านจิตตหัตเป็นปะโสดาบันเพราะอะไรท่านจิตตหัตเป็นปะโสดาบันเพเห็นทุกข์มีความเข้าใจในทุกข์มีความรู้สึกว่าเราเป็นคน ตื่นขึ้นเช้ามาก็มีแต่งานต้องประกอบกิจกานทั้งวันเวลาหยุดก็เล็กน้อยเล็กเกินกลางคืนพักผ่อนหน่อยตื่นขึ้นเช้าก็ต้องทำงานใหม่ขึ้นเชี่ยวงานประเภทนี้ไม่มีที่สุดและเวลาที่จะหยุดงานเพื่อความทุกอย่างนี้ไม่มีอีกเราต้องทำจนกระทั่งถึงวันตายแต่ขึ้นเที่ยวการเกิดมันเป็นทุกอย่างนี้ก็ไม่ควรมีกับเราต่อไป เราก็ไม่ควรจะเกิดต่อไปความจริงในเวลานั้นทั้งยังไม่ได้คดีผ่านแต่ว่ากําลังจิตคิดพี่ตรงนี้ก็ปรากฏว่าท่านจิตจะหัดได้ประสูดาบันตามบัมบาลีเนี่ยคำว่าประโสดาบันญาญมเพราะไปใส่ก็เป็นของไม่ยากก็นหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายแต่ความจริ ง, งไม่ต้องอไม่ต้องไม่ต้องพิจารณาทุกขนณะ ก, ก็ได้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตาย เอาทุกข์ประกอบตะดีเรืการที่สองมีการยอมรับมะผีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แน่นอนไม่ไม่สงสัยในความดีของท่านเรืการที่สามมีสินบริสุทธิ์นี่เพียงแค่นี้ท่านเรียกว่าประสดาบันและเวลาที่ท่านจิตตหัดคิดเรื่งความทุกข์จะถืมว่าเวลานั้นจิตหัดไม่ได้ละเมิดสิน เมื่อนึกถึงความทุกข์เกิดขึ้นก็ทนุถนอมตัวเวลานั้นไม่มีอะไรใชาไม่ฆ่าสัตว์ตชีวิตไม่ไดักขโมยของไข่ดวงความวราการละเมิดสินทั้ง5ข้อไม่มีสินท่านบริสุทธิ์ไม่ให้อาการว่าการเกิดเป็นทุกอย่างนี้ไม่คนจะเกิดต่อไปยังนี้เห็นตัวดับขอ ง, ของชีวิตแล้ว ก, กยิักายันติเห็นชัดในเบื้องตน้น ต่อมาก็วิจิกิจฉายการสงสัยในความดีพระเจ้าใ น, านพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่มีพระกําลังเดินไปหาพระเมื่อคุณธรรมสามอย่างนี้ครบท่านจิตหัดจริงเป็นประโสดาบันเป็น น, นว่าขมัญดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัททุท่านถ้าเจริญกรรมฐานเพร่อหวังผลให้ทุกคนพิจารณาให้เห็นทุกทุกปเปรแปรเดียสัตว์เ <c oughs> ข้าใจตามความเป็นจริงว่าชีวิตถ้าเรายังทรงตัวอยู่เพียงใด เราก็มีความทุกทุกวันตื่นขึ้นมาจากหลับเรามีความสุขได้พักผ่อนได้พักผ่อนตลอดคืนแต่ก็มาตื่นมาแล้วก็พบกับความทุกข์นั่นคือการปวดอุจจาระปวดปัสสาวะเป็นนิพพตทุกทุกหนึง่งนิทุกประจําวันมีทุกอยู่แล้วมาเป็นการในสองเวลานเส้นสายเกิดความหิวความหิวเกิดขึ้นเป็นอาการของความทุก ไปรับประทานอาหารเสร็จก็ต้องห่วงอาหารเวลาต่อไปต้องประกอบกิจการงานถ้าเราไปทำงานไม่ทงการอาหารก็จะไม่มีกินต่อไปการทำงานทุกอย่างเต็มในความเหนื่อยมัื่อเต็มไปใความทุกข์มั่นเรียกเป็นอาการของความทุกข์นอกจากมีความทุกข์ประกอบจากประกอบกิจการงานและการป่วยไข้สบายกิดเราเป็นประจำ อาการป่วยไข e. ้ทุกอย่างที่มีขึ้นจะเป็นโรคประเภทไหนก็ตามเปรียการของความทุกข์ทั้งหมดเราก็ต้องทุกข์จำเป็นต้องทุกข์ไม่อยากจะทุกข์มันก็ต้องทุกข์ถ้าต่อมาความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังของเราเกิดขึ้นมันก็เป็นอาการของความทุกข์ถ้ามีความพัดพลาดจากของรักขอใจเกิดขึ้นเราก็เป็นความทุกข์ต่อมาเมื่อความตายยึเข้าถึงมันก็เป็นอาการของความทุกข์รวมความที่เราเกิดมาเพื่อทุกข์ ถ้าเกิดมาเพื่อทุกอย่างนี้เราจะเกิดทําไมต่อไปดินแดนที่ไม่มีความทุกข์มีที่พักทุกชัก่วคราวคือสวรรค์กับพรมโลกสวรรค์กับพรมโลกไม่ใช่มีความสุขแท้เป็นความสุขชัข่วคราวทั้งหมดบุญมัสนาบา ร, รมีก็กลับมาทุกข์ใหม่เราไม่ต้องการดินแดนที่มีความทุกข์ตลอดกาลตลอดสมัยก็คือนิพพานเราต้องการนิพพานไม่ที่ไป ถ้าตัดสินใจอย่างนี้ก็ควบคุมกาลังใจว่าขึ้นเื่ อ, อความเกิดมีที่เบื้องต้นก็มีความตายในสุดเราต้องตายก่อนจะตายก็หาที่พึ่งคือหาพระพุทธเจ้าพระรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งต่อไปก็ใช้กำลังใจคุมศีลให้บริสุทธิ์อาศัยแพงกั้นอบายภูมเพียงเท่านี้บรรดาเทพุถุพิษัทุทุกท่านก็เป็นมรสดาบัน ถ้าเป็นมระโสดาบรรดาทุกคนก็หวังได้สันนิพนธ์ณอตอนนี้ไปก็มันไดา ญ, ญาติโยมพุทธวิสัตถุท่านตั้งใจสมาทานศีล ส, สมาธานเป็นกรรมฐาน